ลูกสาวอายุห้าขวบไปหาหมอฟันหมอดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องอุดฟันนะพ่อก็เป็นห่วงว่าเนี่ยอุดฟันเนี่ยลูกสาวนี่คงเจ็บมันนะเพราะว่าบางทีก็อาจจะไปโดนเหงือกนะมันไม่ใแค่เสียวเดี๋ยวมันเจ็บพ่อเป็นห่วงลูกก็เลยบอกลูกว่าเวลาอุดฟันเนี่ยถ้าเจ็บเมื่อไหร่ก็ ยกมือนะลูกสาวก็พยักหน้าระหว่างที่อุดฟันเนี่ยพ่อก็ถามลูกสาวเป็นระยะระยะว่าเนี่ยเจ็บไหมรากว่าลูกสาวนี่ไม่ยกมือเลยจนกระทั่งอุดฟันเสร็จพ่อก็ดีใจนะโอ้ลูกไม่เจ็บเลยระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านพ่อก็ถามลูก เพื่อความมั่นใจว่าเนี่ยอุดฟันนี่เจ็บไหมลูกสาวบอกอเจ็บมากเลยเพราะว่าบางทีเครื่องมือมันก็ไปโดนเงือกพ่อก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ยกมือละ่ะลูกสาวก็ยิ้มนะแล้วก็พูดอายๆบอกว่าเนี่ยหนูอดทนอยากให้หนู อ, นอยาก ใ, ให้พ่อดีใจค่ะพ่อนี่ปลื้มใจลูกมากเลยนะ คำพูดสั้นเนี่ว่าหนูอดทนนะหนูอยากให้พ่อดีใจค่ะลูกสาวนี่นึกถึงพ่อเนะี่อยากให้พ่อมีความสุขนะก็เลยอดทนนะเจ็บแค่ไหนก็อดทนเพราะอะไรนะเพราะอยากให้พ่อมีความสุขอยากให้พ่อดีใจแต่บางคนเนี่ยก็อดทนเพราะไม่อยากให้คนที่ตัวเองรักเนี่ยมีความทุกข์อย่างน้องโยเนี่ยนะ เด็กชายอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งป้าก็ชวนน้องโยเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไปเข้าไปในตัวเมืองพรากว่าเจออุบัติเหตุกลางทางมอเตอร์ไซค์นี่ยับเยินเลยนะพราะไปประสานงานไปชนกับรถอีกคันหนึ่งป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งแต่ว่าน้องโยนี่หนักกว่านั้นนะขาเล็กไปข้างหนึ่งเลย โชดีนะอยู่ไม่ไกลจะกโรงพยาบาลระหว่างที่ทั้งสองค น, นยอยู่ในรถพยาบาล น, นี่ปา น, น้าก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่น้องโยนี่ไม่ร้องเลยจนกระทั่งเข้าห้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จนะหมอก็สังเกตว่าน้องโยนี่ตั้งแต่เข้าห้องผ่าตัดจนกระทั่งผ่าตัดเสร็จไม่มีร้องสักคําเลย ไม่เหมือนป้าเนะี่ยป้านี่ร้องเสียงดังหมอก็เลยถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยเจ็บนะแต่ว่านึกถึงป้าเห็นป้าร้องก็รู้ว่าเนี่ยป้านี่นอกจากเจ็บกายแล้วก็ยังปวดใจด้วย ทุกใจที่พาหลานตัวน้อยๆ น, นี่มาเจออุบัติเหตุอย่างหนักน้องโยก็คงรู้ว่าเนี่ยถ้าน้องโยร้องเนี่ยป้ายิ่งจะทุกข์มากกว่านี้นะที่เห็นหลานนี่นะมีความเจ็บปวดทุกทรมายอย่างนั้นน้องโยไม่อยากให้ป้าทุกข์มากกว่านี้แล้วเห็นป้าร้องขนาดนั้นแล้วก็เลยอดกัน้น ความเจ็บปวดของน้องโยนี่อาจจะมากกว่าป้าก็ได้นะแต่ว่าพอน้องโยนึกถึงป้าเนี่ยไม่ไห้ป้าทุกมากกว่านี้ก็เลยสามารถที่จะอดกั้นความเจ็บปวดได้บางทีน้องโยนคิดว่าความเจ็บปวดของตัวเองนี่เป็นเรื่องเล็กเลยเมื่อเทียบกับความทุกข์ของป้ายิ่งถ้าน้องโยเนี่นึกถึงตัวเองนะคงจะทุกทรมานมาก เช่นท่านึกว่าเนี่ยถ้าฉันพิการนี่ต่อไปฉันจะเล่นบอลยังไงฉันจะวิ่งแข่งกับเพื่อนยังไงหรือว่าฉันจะหาแฟนยังไงเนี่ยการคิดแบบนี้จะทุกข์มากเลยนะแต่ว่าน้องโยมไม่มีความคิดนี้อยู่ในหัวนึกถึงแต่ป้าก็เลยทําให้มีความอดทนอย่างที่ไม่น่าเชื่อนีอ่การคิดถึงผู้อื่นนะ เช่นนึกถึงพ่ออยากให้พ่อดีใจหรือนึกถึงป้าไม่อยากให้ป้านี้ทุกข์มากไปกว่า น, นี้เนี่ยมันช่วยลดความทุกข์ของคนเราได้นะความทุกข์มีมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะกล า, ายเป็นเรื่องเล็กนะถ้าว่าเรานึกถึงผู้อื่นอาจจะเริ่มต้นแต่คนที่เรารักนะเวลาสอนลูกสอนหลานเนี่ยนะ ถ้าอยากให้ลูกมีความสุขง่ายมีความทุกข์ยากนี่ต้องสอนให้เขารู้จักนึกถึงผู้อื่นและก่อนที่จะสอนลูกสอนหลานก็สอนตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยถ้าเห็นกับตัวมากเท่าไหร่นึกถึงตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ง่ายมากเท่านั้นแต่ว่านึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่ก็จะทุกน้อยเท่านั้นและยิ่งถ้าหากว่าไม่ได้แค่นึกถึงคนที่ทุกข์ยาก หรือว่านึกถึงคนที่เรารักเท่านั้นนะแต่ว่าลงมือทําด้วยเพื่อช่วยเขาไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยแม้มันจะลําบากแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กอย่างแม่ที่ลงทุนลงแรงเนี่ยไปปลูกป่านะปลูกต้นไม้บนเขาที่มันธุรกันดารว่ามันเหนื่อยยากนะ แต่ว่าแม่ก็ทำทั้งวันทำทุกวันทำเป็นเดือนทำเป็นปีทั้งที่ไม่เคยทำหรือเคยทุกแบบนั้นมาก่อนวันนึกถึงลูกนะลูกเนี่ยลูกสาวนี่เป็นคนชื่ยชอบปลูกต้นไม้ลูกสาวนี่รักธรรมชาติอยากจะนำป่ากลับคืนมาสู่ ผูกเขาหัวล้นที่บ้านเกิดของตัวเองแต่ว่าไม่ทันได้ทำนก็ตายซะก่อนตายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแม่ก็เลยสืบทอดนะความฝันของลูกก็เหนื่อยนะลำบากนะปลูกต้นไม้ปลูกเสร็จไม่พอก็ต้องหาบน้ำไปรดน้ำแต่ว่าความทุกข ของแม่กลายเป็นปเรื่องเล็กนะเพราะว่านึกถึงลูกสาวอยากให้ความฝันของลูกสาวเป็นจริงอันนี้ก็เป็นการที่อาศัยความรักนะของลูกสาวความรักที่มีต่อลูกสาวนี่รวมทั้งความฝันของลูกสาวนี่เป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งที่ยากจนสำเร็จได้ แม้จะลำบากแม้จะทุกข์ทรมานแต่ว่าก็กลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อนึกถึงคนที่เรารักซึ่งจากไปแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้การตายของคนที่เรารักนี่มันมีคุณค่าขึ้นมามันไม่ใช่เพียงแค่อาศัยความรักที่มีต่อลูกสาวเป็นแรงผลักดันให้เราทําสิ่งที่ยากลําบากให้สําเร็จได้ และแม้จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยนะไม่ได้เป็นคนในครอบครัวไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นป้าเนี่ยแต่การที่เราทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเขามีน้ำใจต่อคนแปลกหน้านี้มันก็กอบผลดีกับเรานะทำให้เรามีความสุขเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพบแล้วว่าคนเราเนี่ยเวลามีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย มันไม่ใช่ดีต่อใจมันดีต่อกายด้วยนะไม่มีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายนะเช่นมีสารสื่อประสาทบางตัวเกิดขึ้นเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเช่นโดพามีนเซโรโทนินพวกนี้เป็นสารสื่อประสาทที่ทําให้มีความสุขคนเรามีความสุขเนี่ยมันจะมีสารตัวนี้ออกมาโดพามีนก็ดีเซโรโทนินก็ดีหรือเวลามีความเจ็บปวดมันก็จะมีสารตัวนี้มาช่วยระงับความเจ็บปวดได้ มันก็แปลกนะเดี๋ยวนี้เราพบว่าการที่คนเราไปช่วยผู้อื่นเนี่ยมันทำให้เรานี่มีความสุขไม่ใช่แค่มีความสุขอย่างเดียวนะสุขภาพก็ดีนะความดันก็ลดลงความเครียกก็น้อยลงเหมือนกับว่าธรรมชาตินี่เขออกแบบมาให้คนเราเนี่ยรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นมีน้ำใจต่อผู้อื่นเพราะพอเราทำแล้วนี่นะสมองเราก็ดีนะร่างกายเราก็ดี มันมีสัญญาณในทางบวกนะมันส่งมันปล่อยสารสื่อประสาททาให้เรามีความสุขทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายดีขึ้นก็ mm. ถ้ากับเป็นการส่งเสริมให้คนเราเนี่ยทาความดีมีน้ําใจให้กับผู้อื่นมากขึ้นเพราะนนี้แหละนะพระเจ้าจุมบอกว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขไอเป็นเพราะพงรู้ว่าเนี่ยคนเราเมื่อมีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเนี่ย ร่างกายมันดีขึ้นจิตใจมันดีขึ้นเลยเป็นเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็ทําให้เราภาคภูมิใจพอเราภาคภูมิใจเนี่ยสมองมันก็ทํางานนะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแต่ว่าจะเป็นเพ่าะอะไก็แล้วแต่นะที่น่าคือทำแล้วมีความสุขสุขทั้งใจสุขทั้งกายฉั้นคนที่รักตัวเองนะเขาก็จะ ไม่เห็นแก่ตัวนะเขาก็จะพยายามช่วยเหลือผู้อื่นเพราะเราทำแล้วนี่มันมันก็ดีนะกับใจแล้วก็ดีกับกายของตัวเองแล้วก็ดีกับผู้อื่นด้วยนะดีกับสังคมเสียงวัดล้อมด้วย